พูดกับทุกคู่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่โดยจากไมว่าล้องตาตั้งใจพูดกับพวกเราพวกเราตั้งใจฟังไหมถ้าฟังก็มีประโยชน์นะผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจย่อมเข้าใจสิ่งนั้นได้บรรเทาความสงสัย ในปัญหาต่างๆเป็นการเรียนรัดในการฟังเน่ไม่ต้องเป็นตั้งอยู่ในห้องเรียนจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสมีความเห็นถูกต้องเพราะไอ้ยินได้ฟังเนี่ยฮีเราที่แท้อันเดียวกันจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเป็นโยมอันเดียวกันโมกอันเดียวกัน ในการเกิดเจริญตายเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือระดับความหลงความรู้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กได้เป็นเด็กก็เป็นเด็กไปเลยเพราะหลงก็ยังหลงอยู่เพราะโกรธก็ยังโกรธอยู่เพราะทุกข์ยังทุกข์อยู่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นดีได้ เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่คือผู้ใหญ่เปลี่ยนร้ายเป็นดีแล้วจะเป็นเด็กไปตลอดชีวิตไม่ได้แล้วจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเป็นเด็กไม่ได้มีแม่ตาคุณาโมทธตาเปกขาต่อสรรพสิ่งนั่งหลายถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้า มีแต่ความอิจฉาเบียดเบียนกันก็เป็นเด็กแม้จะเป็นผู้ใหญ่ของงอกเกิดนานก็ตามหรือว่าเป็นเด็กถ้ายังไม่อิจฉาเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือว่าเป็นเด็กเราจะมาสร้างโลกนี้ให้มีแต่ความเมตตากาุณาอยู่ร่วมกันเราจึงไม่ต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อเอาความรู้ความดีไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นด้วยเราไม่สติเราก็ได้ใช้สติเรามีความหลงเราก็เกิดโทษเพราะความหลงกว่าให้เราพูดผิดทําผิดคิดผิดถ้าเรามีสติเราก็พาให้เราทําถูกต้องชีวิตของเราก็ปลอดภยัยไม่มีโทษมีภยัยเดี๋ยวนี้เราไม่มีภยัยเพราะเราทําให้เราเอง เรามีภัยงานจากเราทาให้ตัวเราเองมีภัยแต่คนอื่นเขาไม่รู้ทำให้เรามีภัยด้วยการใช้ชีวิตร่วมกันในโลกนี้มีเต่อันตรายถ้าเราไม่เป็นคนดีถ้าเราไม่เห็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โลกทุกวันนี้จึงต้องเรียนรู้ให้มาก เพจะได้มีความรู้อยู่ร่วมกันถ้าคนทุกคนไม่มีความรู้อะไรทําแต่ความผิดไม่จะอาหารการกินก็เป็นโทษเป็นภัยต่อเราเดินตามถนนทางก็เป็นโทษเป็นภัยต่อเราอากาศหายใจก็เป็นโทเป็นโทษเป็นภัยต่อเราแผ่นดินที่เราเดินไปก็เป็นพิษเป็นภัยต่อเราน้ําที่เราอาเจียอาบดื่มก็เป็นพิษเป็นภัยต่อเรา เราจะต้องช่วยกันเป็นคนดีให้ได้ร่วมมือร่วมแรงกันชีวิตเราไม่ใช่เราอยู่วันนี้วันเดียวมีกกี่ปีหลายปีมีลูกมีหลานมีเหล็ดด้วยในโลกนี้เราว่าโลกนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นคนดีโลกจะอายุสั้นเข้าไปเดี๋ยวนี้โลกก็เกิดความร้อนกันแล้วเกิดวิบัติต่างๆ ต่อไปน้ำจืดจะไม่มีดื่มมีจแต่น้ำเค็มท่วมโลกเราจืดยางไยใครเป็นคนทำเรื่องนี้ก็อนอกจากเราคนเดียคนไม่ดีหลายคนก็ทำแต่ความไม่ดีเกิดขึ้นบนโลกนี่ที่โรงเรียนเรามีคนไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ลำบากจากบ้านนี่แถวนี่เขาประกาศว่าเดี๋ยวนี้กำลังมีจรผู้ไร้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อไม่จรเขลร้อยเกิดขึ้นคนเดียวแล้วก็เดือดร้อนในหมว่บ้านชมชนเรานักเรียนเป็นคนไม่ดีคนหนึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนโรงเรียนเราก็เดือดร้อนหัวอย่างก็เดือดร้อนสอนยากดื้อด้งเอาใจใจปัญหาก็เกิดมีมากขึ้นจนถึงกับนักเรียนฆ่ากันตีกันกลังมีปัญหามากเยาวาชนคนไทยถ้า พวกเรามาช่วยกันนะพวกเราจะอยู่งหมู่ล้มตานี่อายุไม่นานก็ตายไปแล้วแต่พวกเราเนี่จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราจะมาช่วยกันมาช่วยกันเปิดขนตนเดงมีสติมีสัมชัญญะมีเมตตากรุณามีการให้อภัยมีศีลสำรวมกายวาจาใจดีๆมีสมาธิมีใจมั่นคง อย่างงาง้ยนคอนแกนถึงขึ้นมาอย่างให้พ่อแมต้องต้องปลุกพยายามลุกกัวเองลุกขึ้นมาแล้วรีบเก็บที่นอนล้าหน้าแปรงฟันเหมือนสมัยน้วงตาเป็นนักเรียนเน่เรียนหนังสือเด็กชายใหม่แบบเรียนเร็วใหม่ชั้นปหนึ่งยังจำได้ทุกวันนี้เด็กชายใหม่ลักงูเป็นเด็กดีเชิญนอนแต่เช้าทุกวันลุกขึ้นแล้วเก็บที่นอนให้เรียบร้อย ร้าน่าแปลงวั น, นแต่งตัวแปลงเรียนเลิกจากโรงเรียนมาถึงบ้านถอดเสื้อกางเกงออกเผงแดดรีบทำงานช่วยเหลือพ่อแม่เด็กชายใหม่แล้วเขาก็เขียนรูปเป็นรักเรียนคนหนึ่งเป็นรูปในหนังสือน่ารักเราก็อยากเป็นเด็กชายใหม่เ้าก็เหมือนทำเหมือนเด็กชายใหม่แล้วก็ตื่นดึก ตื่นขึ้นแล้วเรีบเก็บที่นอนเหมือนเด็กชายใหม่รีบล้างหน้าแปลงฟันทำงานช่วยเหลือพ่อแม่เช่นเช็ดถูเดือนเป็นทุนแต่งตัวไปโรง เ, เ, เรียนพอเลิกจากเรือนเรก็ถอดเสื้อออกพข่งแดดรีบวิ่งตรงไห้หลงหาเจ็บเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยเหลือพ่อแม่อยากเป็นเด็กชายใหม่แล้วก็มีเด็ ก, กเกเร เช้าวันหนึ่งนกกัางแขนตัวผู้ตัวหนึ่งเกาะอยู่บนจิกรมะม่วงในสวนนกน้อยตัวนี้เริ่มส่งเสียงร้องพะโล่จับใจเทวุธมทำรูปนกบินเกาะเจียงไม้ร้งองท่าทางร้องเพลงนกน้อยตัวนี้เริ่มส่งเสียงร้องพะโล่จับใจบินพางกะระโดดพางไปตามเจีงไม้เจียงโน้นบ้างเจียงโน้นบ้างมีเด็กเกเรกคนหนึ่งเอาหนังเสต็กมาญิงเขาตาย แล้วก็เกลียดเด็กคนนั้นเอาหนังสต็กมายิงนกตายเราก็เลยไม่จับหนังสต็กเพราะเด็กเคเล่ชอบจับหนังสต็กมายิงนกนกก็มีประโยชน์ถ้าเราอ่านประวัตินกสักสิบตัวดูเนี่ยเราจะรักนกมากที่วัดหลวงตามีชมรมเด็กนักนกมีกล้องหลวงตาซื้อกล้องมาจากสหัดสองหมื่นบาทจับนกได้เป็นกิโลกิโล กล้องถอยจับนกแล้วเอามาเขียนภาพให้มีไปพาเด็กไปดูนกเอาให้นกให้ให้เด็กดูเอากล้องตั้งให้เด็กดูให้เด็กมาเขียนภาพนกเนี่ยเป็ น, นกชนิดใดให้เด็กเขียนภาพแล้วมาดูตำลานกถ้าใครเขียนภาพนกจับนกได้สัก10ตัวอ่านประวัตินกลองดูเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กดีหนังสติกไม่ถือเลย ไม่สือดังสตียเลยเมื่อเขาลักนกประวัติของนกมันทำอะไรบ้างเขาก็โอ้ยนกไม่ใช่เป็นนกเฉยๆปลูกตน้นไม้จับมแมลงกินพืชกเกษตรอะไรช่วยเหลือเราขยายพันธุ์พืชอย่างที่วัดหลวงตาเนะ่ะพริกนกปลูกต้นสูงทุ่งหัวหนอนไม่มีใครปลูกได้พริกแค่นี้มีแต่นกท่านปลูก ต้นไม้บางประเภทเนี่ยในประเทศไทยผลผิดของนกมากกว่าคนคนบางคนยังไม่สู้นกไม่ได้เลยนกยังปลูกตัวป่าให้คนได้อาศัยอย่างไซบ้างอะไรต้นไม้ที่เป็นนกปลูกต้นไม้บางประเภทต้องผ่านกระเพราะนกแม่เอาเม้ดมาปลูกมันไปขึ้นต้องให้นกกินก่อนแล้วมันไปถ่ายแล้วก็เกิดพืชต้นไม้ขึ้นมา ต้องผ่านกนารขอนกเนี่ยมันขลางนั่นนกนะถ้าเราอา่านประวัตินกได้สักสิบตัวเนี่ยเด็กจะเป็นคนดีทีเดียวเลยไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเลยมีเมตตากูนาเมื่อเห็นนกศึกษานกเขาก็ลักป่าเห็นกมันอยู่ป่ามันก็เช่นหมากไว้แล้วก็รักป่าไม่ทําลายป่าเมื่อเด็กลักนกเราก็ลักนกเล้วไม่ทําลายป่าเลยทีเดียว นายเป็นคนเด็กดีที่บ้านหนองตาไม่มีเหล็กถือนังสติกเลยนะถ้าจอมนกเด็กรักนกอันนี้ก็เราอา่านหนังสือเด็กชายใหม่มันยิงเด็กเกเรเอาหนังสติกไปยิงนกตายโอ้ยยังเห็นหนะ้าเด็กเกเรคนนั้นยังเป็นภาพอยู่ไม่ชอบทําไมไมาเบียดเบียนนกเนะี่ยนกมันทําประโยชน์ให้แจ้ค้ ลักนกลักป่าแล้วก็เป็นหัวใจมาแต่เด็กเด็กเรียนอะไรต่างๆเด็กเกย๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเล็กศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ปรยน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากกรรมก็ยอมทนเกิดเป็นคนความมันขยันเลยเด็กชายใหม่ลั ก, ง, ก ง, ง่เราเรียนสมัยเป็นเด็กป้อหนึ่งเรียนไปนยังจำได้อยู่นะ <c oughs> อันนี้บอกต่อจำา้าตั้งแต่อายุน้อยห้าปีหกปีน้อยหกปีเจ็ดปีเดี๋ยวนี้นักเรียนจำอะไได้มาอ่านให้ลองตาฟังดครูสอนเรื่องอะ อ่านหนังสือเรื่องใดมาใครบ้างอ้าวจะให้เป็นเด็กดีเด่นในโรงเรียนบ้านภูนี่อโอยโอจำอไรบ้างฮะเรียนมาจำหลายที่เห็นาะน่าจะเป็นเยี่ยงอย่างฮะมีสะาะแห่งหนึ่งไม่สู้จกากข้งใหญ่ดักเวลาลมพัดน้าไหนจะเป็นระลกขึ้นน้อย เขาย่อยเข้ากับทบฝังต้นหญ้าที่ขอบจะโอนนไปมาจนไว้เสียดฉีกันในแต่นั้นมีไข่เมล็กสีดำดำลอยอยู่แพหนึ่งคือไข่กบมีลูกกบตัวเล็กๆอยู่ในขานั้นมันนอนอยู่เหมือนเด็ก่อนนอนเปแต่เปลของมันไม่เหมือนเปเด็กเป็นวุ่นโกลมๆใสๆหุ้มตัวลูกกบอยู่ลูกกบโตวันโตคืนไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำํำอะไรเราก็ไปเห็นไข่กบเราก็ไม่ทำํำลาย มันไข่นะนะเป็นรูปจะเป็นรูปไข่กบอยู่ในรอกอยู่นะโอ้ยธรรมาชาติมันเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยมันเรียนบานตั้งแต่ปหนึ่งเด็กอ่าแบบเรียนโรงใหม่ปหนึ่งน้องตาเรียนแค่สามชั้นนะปเตรียมไม่ใช่น้งบานใช่ไหมก่อนเรื่องชั้นเตรียมปเตรียมหรอปหนึ่งปสอง พอสามไม่เรียนเลยขึ้นปสีท่ทีเดียวเลย <c oughs> จริงไหมสามชั้น <c oughs> จะได้เรียนแค่สามชั้นเท่านั้นเองจนทุกวันนี้มาเป็นหลองตา <c oughs> ใส่ไม่ชั่วนะทําดีนะทาดีจ้าความสามารถละ่ะทําดีกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็มันมีแล้วตกวแน่ก็ เสียดายชีวิตหลังเราถ้าเป็นเด็กตัวนี้จะไม้ก่อนไ ม, ม่เป็นอย่างนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามท้องทุ่งตุกวันนี้กอเธอจเจริญแล้วมีแหล่งศึกษาแต่ก่อนไม่มีมีแต่วัวแต่ควายมีแต่ค้าแต่ไถตุววันไม่มีรถโยนตมีเครื่องบินมีถนนน้นทาง แต่ก่อนรองเท้าก็ไม่มีใส่ต้งเดินเลี่ยงหัวเลี่ยงควายกลับบ้านมาบง่งหนามบอกจากป่าเท้าเหยียบหนามนับไม่ถ้วนทุกวันนี้เราสะดวกอย่า อ, อ่อนยายาประม่ารเรียนหนังสือไม่ไม่มีธรรมชาติเมื่อเมื่อก่อนแต่ก่อนนี้ธรรมชาติเลี่ยงเรามาไป ขึ้นป่าขึ้นดงอาตลาดสดตลาดส ด, ด, ดอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ตลาดสดอยู่ในเมืองต้องไปซื้อเอาตลาดสดมันไม่สดเขาไล่แบงวันอยู่ลอกไปซื้อเอาอาหารที่เขาไล่ยแบงบัดอยู่แบงวันก็ตอมอยู่มันสดยังไงสมัยก่อนตลาดสดมันอยู่ในป่า เตืนเข้ามาไปเจบเหตุไปเจยบเหตุมากินพัทธันไปโรงเรียนเลยเด็กๆ เ, เนี่ยสมัยก่อนน่ะไม่เคยถามบ่าแม่กินข้าวกับอะไรพ่อกินข้าวกับอะไรไม่มีตู้เย็นต้องไปหาจินเก่งรู้จักเหตุกินได้รู้จักเห ต, เหตุที่เมาเจ็บเหตุเจ็บปักหวานเจ็บพืชอาหาร ในป่าเยอะแยะวนละหมากรากไม้ขึ้นโคกขึ้นป่าทุ้งนามีปลาน้ำมีปลานานาไม่ข้าวในบนบกมีผักกินแต่วันนี้ไม่มีแล้วต้องอยู่ในเมืองอาหารการกินคนอื่นทําให้เราเราก็ปลอดภัยน้อยการกินอาหารต้องระมัดระวังต้องฉลาดแต่เมืก่อนไม่ต้องระวังอะไร ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีก ร, รมมกโซนไม่มีสารพิษหลายก่อนมแมลงก็ไม่ดูร้ายแต่วันนี้มีแต่พิษมีแต่อันตรายในน้าก็มีพิษในดินก็มีพิษอากาศก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษถ้าเราไม่เจงเราจะอยู่ได้หรือโลกนี้เราต้องมาช่วยกันไม่รุ่มลรมไม่งมง ม, มาม ไม่ซุกซนไปลองเรียนตั้งใจเรียนเลิกกับบ้านอย่าเจเลเดินตานถนนทางก็มีแต่อันตรายยวดยานพานะรถ ล, ลาวิ่งเราต้องมีทว บ, บรอบครอบหูวไววตาไววอย่าอืดด่อาอย่างโง่เง้าตตุนไปเลียวฉลาดอยู่ในโลกกับเขาคนหนึ่ง บางคนก็ไม่ฉลาดเลยตายตั้งแต่ตัวเล็กดเก็บแค่ได้บ่วยเพราะโทษภัยเกิดจากตัวเราเองมีเยอะแยะเกิดจากคนอื่นก็มีเรายังละหวังมากคนที่ซื่อสัตว์ต่อเราที่สุดคือพ่อกับแม่คือครูอาจารย์เป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่อเราที่สุดเงี้งหัวฟังท่านดีๆคนอื่นอาจไม่ซื่อสัตว์เท่ากับพ่อแม่ของเราแล้วก็ครูอาจารย์ของเรา ต้องระวังให้ดีเงี้ยหูฟังผู้ใดขี้โทษเราดุดาเราคนนั้นคือผู้ขี้ของทรัพให้เราผู้ใดยกย่องเราระวังให้ดีอ๋อระวังให้ดีอย่าประมาทส่วนผู้ใดเก่าโทษอั น, นั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีใครเป็นโคตรพูดอย่างนี้มีพ่อแม่กับครูอาจารย์เท่านั้นเราต้องฟังท่านเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านโดยเคารพ เขาเรียนศิลปะวิทยาที่ท่านสอนไม่จบไม่ดึดึเอาใจใจหลองตาเคยไปอยู่ประเทศสิงคโปร์เขียนระเบียบนักเรียนสิงคโปร์มาว่าจะมาให้ฟังสักวันจะฟังไหม <laughs> นักเรียนสิงคโปร์น่ะเขามีระเบียบนะเขาเป็นคนเก่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ไปเล่นเจเลเขาไปศูนย์วิทยาศาสตร์มีศูนย์วิทยาศาสตร์ เครืงศูนย์ใหญ่สำนังานเกือบร้อยไร่เลยล่ละรัฐ บ, บาลสร้างขึ้นให้เด็กไปเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์เล่นที่นั่นอะไรเป็นเครื่องเล่นมีทุกอย่างขับเครื่องบินขับรถแมคโครเล่นดนตรีทําคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมีบุดเลยเล่นดนตรีนี่เพียงเอามือสอดเข้าไปอย่างเนี้ยหลนตาเข้าไปอยู่กับเขาเข้ามาไป เอามือสอดเข้าไปก็ดังเนโอเน่เลย์อนชอนเมชอนเอามือแข่งไปสียงนตีเกิดขึ้นแล้วมาเล่นดนตรีสากลมันก็ทําเป็นเนี่ยมือมันไปอย่างไรมันมีสูตรเดียวกันถ้ามือเราเล่นอยู่ตรงนั้นเป็นยังมือนิ้วมือไปนิ้วนี่มันดังอะไรตรงนี้มันมีหลไรเสียงอะไรเกิดขึ้นเราเล่นมาเล่นแมาเมื่อเอามือไปแก่งไปแยงมาโดดไปโดดมาเสียงมันไปตามมือที่โดดไป เมื่อเราบปเล่นด น, นตรีเสียก่อนมันก็เป็นเลยทีเดียวเด็กเป็นอายุสองขวบสามขวบเล่นดนตรีขับเครื่องบินขับแบ็คโฮเล่นคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เราไปไหนวันเสาร์วันอาทิตย์ขี่รถเล่นชมกันอยู่ตามถนนน้นทางมีประโยชน์อะไรไมีแต่เล่นเอาแต่เล่นมากที่สุดเลยไม่ได้ต้องมีเวลาศึกษาเลิกจากโรงเรียนเราเรียกว่าบ้านช่วยพ่อแม่ ะไปดูเล็บมือพ่อแม่ดูสิมีไหมเล็บมือทำไมไม่มีเพราะทำงานหาเินเลี้ยงลูกดังเต่าหัวจะได้เงินมาหนึ่งบาทโอ้ยลาบากจริงจริงวันนี้ลูกเราจะมาขอเงินไปโรงเรียนอย่างน้อยต้องสิบบาทยี่สิบาทแล้วจะได้เงินเสหนอมาให้ ล, หลูกเรานี้คิดกันแล้วนะไปหามาให้ลกูกไปโรงเรียนใช้หมู่รังตางเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เงินชักมัดเลย หาไม่มีอะไรกินดอกไม่แต่ข้าวอยเยะเลยข้าวอาหารก็มีตามธรรมชาติไม่เคยมีเงินไปซื้อขนมกินขนมก็ไม่มีสมัยก่อนนะไม่มีจริงจริงขนมอ่ะมีแต่ข้าวต้มหอ่อข้าวต้มมัดเปนบุญจึงได้กินข้าวต้มมีข้าวหลอดช่องก็นั้นแหละสมัยก่อนใช่ไหมพ่อกรมพ่อใหญ่ข้าวหลอดช่อง ข้านมข้าวต้มอไอย่าง้ไม่มีขนมล้นลูกหวันวนเนี่ยมันเป็นขยะไม่ใช่อาหารขนมเนี่ยอย่าไปกินมากเกินไปขนมห ว, วานเนี่ยเสียสมองอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็งงานบุญวัดมีขม้าวต้มหอมีถั่วลิสงอบเตาดัง เดินไปไหนเดินกินถั่วที่สงบกซื้อเท่านั้นสมัยก่อนถ้ามีเงินนะแต่วันนีขนมมขน้ข้าขนมไม่โรจีบาทละขนมก็ขนมขยะไม่ใช่อาหารเป็นแป้งที่ไม่มีประโยชน์มาเสีน้ำตาลเด็กๆ ก, ก็ชอบน้ำตาลสมองไม่ดีนะหรืออย่างอ้วนอย่างีก็อ้วนโรคอ้วน ก็ไม่อยู่ในเด็กเพราะนั้นเรายังไม่ค่อยปลอดภัยอาหารที่ปลอดภัยที่สุดคือแม่ทำให้เราพ่อทำให้เราปลอดภัยที่สุดไอเลือกใอ้เป็นมันมีอันตรายอะลอนตาก็เห็นคนเจ็บแพได้ป่วยโอ้ยเพราะอะไระมันเกิดจาก คนอื่นทำให้เราเจ็บไข้เด็ป่วยเกิดจากเราเองทำให้เราเจ็บไข้เด็ป่วยบางทีวันหนึ่งหลวงตานั่งรถเข้ามาใะเนี่ยเห็นรถชนเด็กนักเรียนตายโอ้ยสงสารอยากไปอุ้มเด็กเลือดเต็มอยู่นอนอยู่บนถนนมันไม่ค่อยปลอดภัยดูให้ดีไปไหนมาไหนมีความฉลาดให้ได้อย่าโง่อย่างงเส่อมซ่า เสาเชตั้งใจเรียนหนังสือมีสติก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดอ่ามีสติไปไหนเหมือนกับคิดก่อนรู้ ก, ก่อนจังค่อยพูดรู้สึกตัวก่อนยังทําแม้เรา ม, มีสติเนี่ยเรียนหนังสือก็เจ่งอ่าหนังสือเนี่ยคนมีสติเนี่ยจําได้แล้วคนไม่มีสติอ่าหนังสือไปเครื่องหน้าไม่รู้ตัวเองอ่านได้ไรจําไม่ได้ต้องกลับมาอา่านอีก สองรอบสามรอบใชจมันลอยไม่ฝึกตัวเองเรียนหนังสือไม่ทันเขาวางคนนั่งปั๊บจำได้ทันทีเพราะเขาฝึกสติฝึกสมาธิทํางานทาการมีสติไปไหนมาไหนลู่ตัวทั่วพ้องเหมเาะแก่การเรียนหนังสือเหมเาะแก่การใช้ชีวิตเหมาะแก่การทํางานทําการค น, นขาดสติไม่แต่ภัยเพราะสตินี่เป็นเรื่องที่ อาลีศั์ของเราสมัยข้างบนเจ้าเด็กจะถามันว่ามีสติหรือเปล่าในกรุงเดลีเนี่ยตอนเหนือของอินเดียเนะเอ้ยมีสติไหมมีสิเออฉลอดคอกันเลยถ้าถามกันโอ้เราหลงไปต้องจับแขนให้ลู่ตัวดีๆนะเด็กเคยถามกันเฮ้ยเธอมีพระรัตนไตจอยู่อย่างมีแล้ว ไม่พะสูตรนะเธอพอมีพ ร, รัดตัดใจเมื่ออายุเท่าไรเรามีเมื่ออายุหกเดือนแล้วเธอเห่านี้พลรรัดตัดใจเมื่ออายุเท่าไรไม่รู้เจ็ดปีหกเดือนเทีมีได้ยังไงเป็นพลัดตัดใจทำไมจึงรู้เรื่องหกเดือนเท่านั้นหกเดือนต้องอยู่ในคันนะเธอมีพลรรัดใจอย่างไร เ, เด็กก็นั้นก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ย แม่เราพาเราไปฟังเทศพระพุทธเจ้าขณะนั้นเราเกิดอยู่ในคันแม่เราเพียงหกเดือนแม่อุ้มท้องพาเราไปฟังเทศแล้วแม่ของเราก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าพุทธังชนังฉามิธรรมังาฉามิสังขังสารังอฉามิข้าพเจ้าถืออภิพุทธเจ้าเป็นศรนะข้าพเจ้าถือว่าธรรมมันศรนะ พ่อเจ้าถือพระสองมานจัด น, นะแม่แต่ลูกแดงขันตอความเจ้าเพียงเกิดได้หกเดือนของให้ถึงพารัตันไตด้วยพอเด็กเขาเกิดว่าอายุปีหกปีแม่ก็เบอกเอ้ยลูกเอ้ยลูกนี้มีพารัตตันไตแล้วตั้งแต่อายุหกเดือนอยู่ในขันของแม่แล้วน ะ, ะชาติพิวแล้วลูกนะอย่าบียดเบียนกันเดะอย่าเบีดเบียนคนอื่นนะ เด็กคนนั้นก็จะบอกโอ้ยช่างดีเหลือเกินเรามีพลัตะไลตั้งแต่อายุหกเดือนไปคุยให้เพื่อนฟังใครก็สันเถื่บางคนว่ามีพลัตะไเมื่ออายุเจ็ดปีแปดปีเดี๋ยวนี่มีพระดใจอย่างพวกเรานะพึ่งพระพุทธพระธรรมใหม่พุทธังคือคุนพรเจ้าพระพุทธเจ้ามีคนอะไรหนึ่งเมตตาที่คุณมีหรือยังมีไหมเมตตา สการนาที่คุณช่วยเหลือสามบริสุที่คุณไม่มีอะไรค่าตอบแทนช่วยเหลือกันธรรมชาติด้วยความบรสุทธิ์ใจข้อที่สี่ปัญญาที่คุณมีปัญญาออกจากทุกเวลามันหลงรู้เวลามันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเวลามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ปัญญาที่คุณมีอยู่ไหนคุณเนี่ยเอาพระไต้แขนคอหรือไม่ใช่ เอาคุณน่ะทำมาไว้ในเรามีเมตตาอยู่ในเราหัวใจนี้ไม่ขนาชิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่ขนาทําชั่วอยู่ในหัวใจเราเรียกว่าเมตตาที่คุณกระนาที่คุณช่วยเหลือกันตามฐานะเห็นใครเดือดร้อนเห็นใครเป็นทุกข์อะไรจับแขนเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรครับผมพอช่วยได้ไหม ช่วยกันแล้วว่าการรุ่นหาเข้าไปช่วยเหลือโวทิสุติคุณช่วยฟรีไม่คิดค่าตอบแทนบัญญาที่คุณออกจากหัวมู้งลงมานี่พระพุทธเจ้าเอาคุณของพุทธเจ้าไว้ในเราหรือว่าพระสันต์ใคือพุทธทังจังกะฉามิไม่ใช่ว่าแต่ปากหัวใจเรามีพระพุทธเจ้าข้อที่สองพระธรรมเจ้าคือใครมีศีล สำรวมกายวาจาใจมีสมาธิมีใจมั่นคงไม่งอนแย่นคอนเสดไม่หวั่นไหวไม่วู้ความขุนผันโกรธง่ายมีปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาองค์พระธรรมอยู่ที่ใดเราพระว่ายพระพุทธใหญ่ถูกทองคำว่ายพระธรรมใหญ่ถูกตําลาคำภีไรลานว่ายพระสองฆ์ใหญ่ถูกพระ ชาวบ้านลูกชาวบ้านคือคธรรมอยู่ในหัวใจเราพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติดีตรงไหนปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ครูวาอาจารย์ปฏิบัติดีต่อเพื่อนมิตรสหายปฏิบัติดีต่อทางศีลหน่อธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่แบับพระสงฆ์ปฏิบัติตรงตรงต่อเวลา ต้องต่อการงานต้องต่อหน้าที่ต้องต่อสินต่อธรรมปฏิบัติตออกจากทุกอะไรเป็นทุกไม่เขเเบบเเเี่ยวข้องไม่เชินเล่าไม่สุบบริไม่เจเลยไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียดขั้นทํำงานปฏิบัติตรงอ่ะไม่เกียดขั้นทํางานไม่เป็นมั่วเมวนยาเสพติดปฏิบัติตสมควรสมั่งเสมอเด็กคนนี้จะมั่งเสมอ เป็นคนดีในสายตาของผู้ใหญ่จะมั่นเสมอนี่คือพระสงค์คือควรธรรมเรียกว่ามีพระตการไตแล้วพรตัตกาไตคือควรธรรมไม่ใช่ไปไหว้พระพุทธเจ้าคือทองคําคือพระพุทธรูปอะไ น, นั้นก็มีแต่ว่าควรธรรมเนี่ยมาไหว้ในเรามาไหว้ในเราเนี่ยพระพุทธรูปนี่หรอพระเมตตาอยู่ในบางตัดจะรู้ ทำรูปพระพุทธเจ้าตอนตัดชะลุใหม่ๆว่าจะไม่สอนธรรมะมันเป็นอย่างนี้ใครนอจะมารู้อย่างนี้อะมันเป็นลึกลับหน่อยเปลี่ยนไปสอนให้คนโกรธเนี่ยมันทาได้หรือไปสอนให้คนทุกข์เนี่ยม่ีใครจะฟังเราไว้หนอไปสอนให้คนหลงเนี่ยมีใครเชื่อฟังเราหรือเปล่าในโลกนี้มีแต่คนที่โกรธที่โลปที่หลง เตมบ้านแต่เมืองเราจะไปสอนเรื่องนี้มันทวนกระแสของโลกจะมีคนเชื่อฟังเราหรือเนี่ยเมื่อคิดคำกวรอยู่หลังจากการตัดสรูวแล้วคิดว่าจะไปสอนใครมันยากหลวงตาสอนอยูใครเชื่อฟังหลวงตาไหมอยา่าโกรธนะมีใครเชื่อไหมก็เชื่อเราคดีถ้าไม่โกรธนะอย่าทุกข์ดัง ให้ใจดีเอาไหมบุญคือใจดีเอาไหมบาปคือใจร้ายเชื่อไหมบุญพาไปสวรรค์ได้บาปใจร้ายเคยไปนรกทัวนรกเมื่อไหร่ทัวไม่ตายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนรกคือใจร้ายถ้าโกรธเราก็เดือดร้อนเคยโกรธไหมฮะนักเรียนทั้งหลาย <laughs> เคยโกรธไหม สบายไหมเมื่อโกรธอ่เค้ยโกรธไหมอ่าโกรธม้นเป็นไงสบายไหมสบายอ <laughs> านลนรกคือทุกข์ถ้าเราโกดอยู่ยังทุกข์อยู่รับหลงตกนตรกเลยทีเดียวถ้ายังโกรธอยู่ก็ตกนตรกถ้าใจดีสบายไหมฮะสบายไหมใจดีแ่ะใจดียิ้มได้ไหมถ้าใจโกรธยิ้มได้ไหม เคยเห็นความโกรธไหมแล้วยังไงความโกรธอ่ะถ้าเราโกรธไปเย็นส่องกระจกดูสิเคยส่องกระจกในเวลาโกรธไหมฮะไปส่องกระจกดูถ้าถ้ามันโกรธเราไปส่องกระจกดูน่าดูไหมคนโกรธอ่ะโอ้ยไม่เคยเข้าใกล้ปราเมตตาก็าเลยเกิดมีเมตตากนอ่ะโอ้มองคนว่าคนเรานี่มีอยู่สี่ระดับเหมือนบูกะ บัวดอกบัวอยู่ในน้ำดอกบัวบางประเภทพ่นน้าแล้วดูเช่ไหนศาสตนะพอพน่นน้ายังไม่บานนะพอแสงเทขึ้นส่องมาเปล่าบัวก็บานออกบัวประเภทที่หนึ่งบัวประเภทที่สองพ่นน้อยๆอีกสองวั น, ส า, วนสามวันจึงจะบานได้บัวประเภทที่สามยังอยู่กลาง น, าน้านวลยังไม่พนม่นน้ําต้องอห้าวันหกวันจึงพ่นน้า เมื่อเจอแสงอาทิต์ก็จะบานได้บัวประเภทที่สี่อยู่ในดินยังไม่เกิดขึ้นมาได้อานั่นมีทางพ้นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาหารเต่าอาหารปลาหรือตายไปก็ได้เมื่อพุทธย้ามองถึงสัตว์สี่ประเภทเนี้ยโอ้ยมีเหมือนกันบางคนก็พอสอนพับจำได้ทันทีนำไปปฏิบัติเหมือนนักเรียนบางคน คอาจารย์ครูสอนปับ๊บจำได้ทันทีเหมือนบัวพ่นน้าแล้วมันอยู่กับใครนะ่อยู่กับพวกเรามีบ้างไหมเพอาแม่สอนจำได้ครูอาจารย์สอนจำได้บานขึ้นมาละความชั่วได้แล้วข้ย น, นันเรียนหนังสือบานขึ้นมาเหมือนบัวอันดับที่หนึ่งเรียกว่าอุคติยันอยู่เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเป็นบุคคลยอดเยี่ยมพ้นแล้วเก่กความชั่วหรอ อุคติตันอยู่รูปภาพทันเดสอนง่ายว่านอนสอนง่ายไม่ดือ้อเหมือนลูกของคนนะบางคนเรียกว่าอพาิชติตจุตรดีกว่าพ่อกว่าแม่ฉลาดกว่าพ่อกว่าแม่เพราะแม่เป็นชาวไร่ชาวนาลูกเป็นนายแพทย์เป็นหมออยู่นี่ก็มีอาจารย์วรวร์เป็นหมอใหญ่นั่งอยู่โน่น <laughs> เพราแม่เป็นหมอแลว อาภิชาตตบุตรเป็นบุตรที่ประเสริฐใครจะเป็นอภิชาตตบุตรเนี่ยนะนี่อยู่นี่ก็เรีนอันที่สองเลว่าอาวชชาตะบุตรจำเนอพ่อจำเนอแม่อันที่สามเลวจืดหีนชาตตบุตรเลวสามได้โจทเลยสอนไม่เอาเลยดื้อดึงเรียกว่าตจำถ้อยที่โจดนั่งอยู่นี่อาภิชาตตบุตรดีเลิศ อันที่สองเสมอพ่อแม่อันที่สามเลียวซ้มผู้เจ้าก็มองเห็นคนสามสี่ประเภทเลยตัดจใจสอนนำมาเรียกว่าพระเมตตามีเมตตาเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกเรียกว่าเผยแผ่ศาสนาพระพุทธโลกไนดะ้ทมบรรลุอยู่ในต้นสีมหาโพธิคยาลูกพุทธย า, ยาในปางตัดจะลู่ใหม่ อันนี้เราก็ต้องกราบไหวเอาอย่างเอาอย่างวางโลกก็อยู่ในปางจัดฉลุวางโลกก็อยู่ในปางมานวิชัยอปางต่างๆ ต, ต, ต้องคารบยกมาไหว้ไหว้เป็นไหมไหว้พระพุทธรูปไหวอย่างไรแต่ไหวไม่ใช่กราบนะเอามือหัวแม่มือเปลด่ปลายจมูกปอนิ้วชี้จดชื่อสองข้างก้มลงแค่น้อย เห็นพระพุทธเจ้าเป็นตระรูปเอาหัวแม่มือจดปลายจมูกเอาหัวเนิ้วชี้จดระหว่างคิ้วั้งสองโค้งลงไอ้ไหวพระพุทธเจ้าไหวเจดีสถานต่างไหวครูอาจารย์ทำงานเอาหัวเนิ้วชี้จดปลายคางโค้งลงก็หน่อยไอ้พ่อแม่ครูอาจารย์นนยยแาายยนี้ํำดูสิ ว่าด้วยก้มลงแล้วนอะเจดปลายข า, ายไหว้เพื่อนจำไวมกันเพื่อนยกมือไหว้ไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ ด, ดีเพื่อนไม่ใช่นี้เหรอเอาไหว้นี้หน้าอกหน้าอกนี่จำไห้นะ